7. นิสีธนสิกขาบท142ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ให้ทำผ้ารองนั่งเกินขนาดณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารพพวกภิกษุฉับ พ, พักขีถามเพราะเรื่องอะไรตอบ